ท่านสาธุชนพุทธบริษัท 27 มิถุนายน 2533 ก็ขอคุย เมื่อพักอยู่ที่พระพุทธบาทแล้วหลวงป่าก็นํามาเที่ยวที่เขาวงศ์ประจันย้ายกรดย้ายกรดมาที่เขาวงศ์ประจันขึ้นไปปักกรดกันอยู่บนยอดเขา <c oughs> การภักกุก็ทําตามปกติโสภารท่านบอกว่าที่เขาวงวจันนี้มีพระบรมสารีริกธาตุวันนี้ถ้าพวกเธอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พอใจของพระพุทธเจ้าพวกเธอจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุถ้าพวกพระองค์ไหนปฏิบัติไม่ดีไม่ ก็เวลานั้นไม่เพราะเมื่อถึงแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราไม่ได้ห่วง <S an> <S an> <S an> ก็มานั่งสบายสบายนั่งหลับ <c oughs> มันมีแต่ว่าจงทํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 ไล่มาไล่ไปไล่มา ตัวตบปาทยานบ้างยาน 8 ประการใช้ไปให้มันเข้าให้มันเพลินอยู่ในฌาน เมื่อก่อนจะเกิดมันก็ผิดสาวใบก็เขียวต่อ Anniepen, wie was een tsajka. Mogwen tsajka, maar wie was er nou ja? Tsajka, toen mijn tsajka, toen mijn tsajka, toen mijn tsajka, toen toen mijn tsajka, จิตมีการคล่องในสังโยชน์ 10 ประการคำว่า 10 ประการทั้งหมดถึงแม้ว่าเรายังจะตัดไม่ได้แต่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 ik heb een grote toestand. Ik heb een een een een ให้คุยฟังบรรพก์คราวแล้วก็เดิน แล้วกลับเข้ามีมากเหลือเกินมีแกงเป็ด 40 เศษอ้วนๆผิวๆพอเข้า มันฉันเช้าเลยครับถ้าบอกเออภาคกินแต่เช้าว่ามันยังไม่อิ่มก็กินเรื่อยไปก็ถือว่าเขากินข้าวเช้าถ้า ออกมาจากวัดหาวัดอยู่มันได้เขาอยู่ตามป่าทําดงถาม พอใช้กําลังใจเป็นทิพขุญญาณเท่านั้นแลบรรดาท่าน พอเห็นภาพฉะนั้นก็ถามท่านแล้วบอกว่า ik มันบอกแค่มัก 400 ปีเศษเออฐานะบอกว่า และเดินไปทุกมีสมาธิด้วยมีด้วยมีด้วยกําลังใจตัดสังโยชน์ด้วยอย่างนี้ดีมากถาม ว่าการจะไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานไม่ใช่เป็นกรรมยกรของใครมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติถูกเท่านั้น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 ที่เจร้าไม่เครียดพอหลังจากนั้นแล้วก็จับจับชื่นที่เราเห็นเป็นไปที่บ้านฉัน ก็ถึงเลยเมื่อ 400 ปีเศษชั้นชื่อสิงห์ เมื่อเธอจะไม่กลับถอยหลังอีกปฏิบัติจรรยานี้เป็นที่ชอบ ท่านถามว่าชอบใจมั้ยคือบอก ให้มันใหญ่โตโมโหหลายขนาด 4 ก่อนแล้วใช้กําลัง คือไม่เทวโลกและพรหมโลกต้องการนิพพานให้ใจมันแน่วแน่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 เวลานี้ท่านก็ทําเธอจึงทําตามแบบพุทธภูมิไป toen hij het niet kon, zei "Ik heb het "Ik het "Ik heb het "Ik heb het "Ik heb het "Ik heb het ben paal, mijn bank. Ja, nee, kon, kik, kon, kort, me, ma, ma, kort, heb er dan, nou, putterpoel. Putterpoel, nou, terp, dan, nou, ma, nou, leo. De wat, ja, nee, dan, in, แต่เมื่อเขาไม่จำแต 90% เหลือจาก moet kruipen dan zet en gaat via de woordenvenkoon die paan en wat in de om die om die wimman in de om die wimman die al die เป็นฐานะหลวงพ่อปานท่านแนะนําท่านชนให้ปรารถนาพุทธคัมภีร์ก็ขอปฏิบัติตามสายพุทธคัมภีร์ก่อนแต่ <c oughs> Ik gevangenij dat kan maar de dat de kaart, die de de gevangenij, die de beperkingen van de gevangenij, die de beperkingen van de gevangenij, de beperkingen van de gevangenij, de de เราไม่เป็นอะไรก็ช่างเรายอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จับยังในไม่หลงในรูปฌานและอรูปฌานไม่ถือตัวหรือตนแม้แต่กับหมาก็เราเรา ณอรอมเราก็ไม่พุ่งสานบางนิพพานนิยมแล้วประจําใจใช่เป็นอรหันต์ไม่ไม่ ไปผักเดียวท่านบอกสวานได้เดี๋ยวหลวงพ่อปานจะคอยถ้าว่าหลวงพ่อปานท่านรู้นะว่ามากับฉันนะฉันไม่ใช่ทํา เอาวินบาตรพอถือ ก็เป็นว่าในวันนั้นกิน <c oughs> Die heb het al een maand Ik heb het al een maand geprobeerd. Ik heb Ik al een Ik al een แต่ว่าถ้าตัณหาของท่านแบบนี้ท่านไม่ต้องเดินไม่ต้องแบกประคองไม่ต้องอาบอวดไปใครก็ต้นไม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีเทวดานางฟ้ามาใส่บาตรเสมอก็ถามได้ว่าทั้งหมดท่านเป็น เมื่อก่อนผมจะตายจากความเป็นคนโหรูปร่างขนาดไหนอายุเท่าไหร่แก่ขนาดไหนหนุ่มขนาดไหนผมมาตามนั้นดีกว่ามีความ หลังจากนั้นหลวงพ่อปานก็ เริ่มทำเท่านั้นน่ะปรากฏว่าพระพรหมสารีริกธาตุองค์ ในที่สุดก็กลับลงมาคํานั้นก็หายเข้าที่เดิมเพราะ <c oughs> Lang Jack niet tontsjago, papa, ik ga het zoeken, tontsjago, doe het tamtjago, maar ben ik een paar. Tegel Maribak, van een paar, maar een paar, en een paar, maar een paar, maar een paar, maar een paar, maar een paar, maar een paar, maar een paar, maar we สังเกตชมที่ชมสถานที่ต่างๆในอดีตชมบ้านชมโรงนาอดีต ว่าอดีตเป็นชั้นๆเป็นกันชั้นเป็นสมัยๆ พระฤาษีนั้น เรารู้จักกับพระพรหมลง 40 พวก 20 กว่าๆ แต่ว่าก็ยังเก่งแค่ด้วยรูปปานถามว่าท่าน Novo Pantamwa, Nam Tonchan, Maitemor, Nam Tonchan. De Kao Maitemor. Rangkait, Namur, Maapiul, Leng, Sui, Natadi. Novo de Tan Nidjum Arai. Sap Djangni, Pora, Maitemor, Jai Kan. Tembo Gomila, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, Nidjangla, de สามารถจะทำอะไรก็ได้ตามชอบใจแต่ว่าสิ่งที่ไม่ทำอย่างเดียวก็คืออาหารทําอะไรก็ได้ตามชอบใจแต่ว่าสิ่งที่ไม่ทําอย่างเดียว <c oughs> แล้วต่อมา มีทองคําเมียอะไรมีผีมีช้างจริงๆเอาล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลาผลจง Thank you.